สารมือขับนบแก้วใหญ่ทั้งสามผ้าพุทธางามผ้า ร, รมเบาเศร้าไปผ้าสังขาสัมมาใส่เก้าขอขมาเอาก่อนแลโปอแม่ลุงตาสัมมาอยู่เตะขาจักล่าวแจงตามมี ก่อยฟังก่อนโตแม่ห้างสาวจีกําโอใจมีจักของกว่านาก่อยยืนอดฟังอย่าฟังายหนาปิกปอกหาเรื้นเนื้อนองกําซอใจของตามมีเรียกร้องประวัติตานเจ้ามีมา สัวที่ใส่นั้นน้ำมีก็จ้ามารนาลับตากว่าโจยเข้าสู่สารอะไรเบาโนยยามนี้ย็นวอยกว่าแลว ใจจากของไข่ตามป้นเต้นวยจาตีจาดอันมีมาสวาตดีใส่นั้นนามมีก็จ่าใจใส่ดูนาเกิดมาเมื่อลาปอเจ้านั้นเหยน้ํนามมีไว้คาใจใส่ควังาม บ่อไทยแม่เจ้านั้นเหยจือมีเก่าไว้นางคำหน่อยอันมาดาปีเกิดเจ้าเต้สักขาดไขรจา้าปันสามร้อยนาะสาวสองอ่านได้ ตานเจ้าเกิดเหยืเดินเก้านั้นใส่เรียมสามคำแ ม, ม่เมียนตาดขาจักรำไรว่าไปเบาลัดวันจันว่าอันไตวันตานมีพี่น้องมรมต้องเดียวกัน สิบคนเตี่ยมตัน้นรักกันเบาน้อยตานเจ้าเกิดเฮ้ยวันดีเบาน้อยขอนทุนหาดีเตตาใจใส่คนงามไพยหันเกาะรักอยู่กับแม่เจ้าลุ่มลา แต่มึนจิมน้อยผองตารากาฟังคำรรแต่นาไพยไัยจึนสู้ปอแม่แปงหุง้มเบาใจว่าอู้ปีน้องลุ่มละเบาไรอายุใหญ่สูง เก้าปีเก่าไว้คนดีบทสังเรียน ร, รมจริงมาอยู่วัดเรียนรำผ้าจำมือขอวันตั้เป็นเน้นอ่อนน้อยได้นุ่งผ้าเลิง้งผิวงามม้อยซอยไผ่ใดพ่อก้อยก็รัก เม่ออกสะทานมีเกาตักอุนันยีใดมีมามีเปียงตีรักนางเสียงไข่จ้าป่าขามดูนะาเป็นเม่ออกเจ้า ปอกนันสามน้ำมีเบาเศร้ า, านางเสียงเมีงามหนุ่มน้อยบ้านตานั่นเหย่ยจือมีเก่าวจ้อยเป็นปอกเจ้าใจงามใจใสเกวเละมีงามกับตามนางคำอีงาม ป่าขามเกาแจ้งใจดีของใครน้ำมีเกาเทงนางบูสองป้ามิงรกักบ้านตาของขใครเบาไก่กันนักมายุนใส่หน่อยเป็นนิน ป้อ น, นยีน้อยจือมีเต็มเค้นแม่มิงองเต็มนางน้อยก่าวเจ้งหอรือนคาราบันกาก่าวเท่งโยแห่งตอนใจใส่หน่อย ขึ้นโบสถ์แป่นน้นสักขาดได้ร้อยสามปากว่าอันมีมาสามสิบเต็มตัดปีเดินก็จ้าได้เข้าโบสถ์มาเรียนทำพาเจ้า ตูเสียงน้องเงินน้ามีเบาเศร้าบทปั่นใจแล้วเมื่อนัน้นบทมาแล้วเฮ้ยมันเป็นเบาคานเห็นธรรมก็ไใด้พีาไวนอนดึกลูกเจ้าเจ้าเบาขาดไหน วันรินไปยังทำพาเจ้าครูบาอาจารย์ยินรักเบาเศร้าเจ้าหากลุ่มลาเบาลารินจอบหลายอันจันติกะป่าดีกไดใดรินมา อายุนิดน้อยใหญ่มาแล้วหนาเศร้ า, าคุบถึงมากกุนดีสืบสร้างตามกองวีในเบาฮือรีดมั่งเป็นพิคคู่ขึ้นดีงามสาขาดถึงแล้วปันหนึ่งไปาสาม สี่สิบถึงตามเดินแจดอ่านได้เน้นใส่ขึ้นแต้นพิกคู่แต่ใสปอกน้ามีก่าวไวอูกแก้วนั้นเหยน้ามีก่าวใกลเป็นปอกเจ้าดีด นางแสงเมทไทยแมออกดีลีจื่อสิงนางมีแผ่นเมออกเจ้าบ้านอาสกเฮยก่าวเนสูเจ้าได้อยู่กินเศร้าตีนัน บอกใจลุงนางหงจือจนบ้านประขามอันมีมาบอกนั้นติบนางปั่นกวาเจ้าป่าขามนูน้ามาโยตานเจ้า ใจใส่นางแสงไม่เปล่งรำเฝ้าป่าคามต้นเศ่้านั่นเราในจนกันมาขอยังตานเจ้าเป็นพิกคูดีเลิดแล้ว คูบบาอายมีเบาได้กาดแก้วอุปใช้แห่งเจ้าใจคานกันเจ้าปิ้งแล้วก็อยู่กับตามวิในใสางามเบามองมอนเศร้า ซาปากงใดวิในผ้าเจ้าก็เบาพิดไปเลไทยอยาดนำปันป้อนเจ้าย่นเบาไรสถาหากได้ยินดีเป็นเจ้านั่งวัดป่าขามดีลี เจ้าอาวาตมีนามาเตียงตังอยู่มาหลายปีเจ้าเบาซาลังผิดแผกอันใดเล่ n องก่อยอดฟังไปเมเพน้ำวงจะไขก่าวทองตามมี สืบมาเบาไรลวงป้อนหลายปีสขาดยังมีหนึ่งปันกเก่าแจ้งสามรอยปอดปลาห้าสิบห้าเทงยามเดินหอกดีเมือนันในย่เป็นถิน ตำเป็นจื่อจันสวตติวาอั น, นมีไม่ออกย้อนนักจะเก่าดีลีจะก็าตามมีนามาออกอันอ้โห อ, อายเฮยคิงเล่าต่ำปัน่นไม่ออกนั่งคำตีรัก วัดอินกัจาคาราสำนักสองขาอยู่สร้างกินทารรมเมยออกนางโบเจงคุมกับตามใจหลงคั่นงามนางเนื้อหวาน น้องลากินเชร้าอนอนซ้อนร่มฟันหากมายอตาต่ตกจายอูนังผ่องสองคนตีรักปลูกเนื้ออยู่สางเฟงนอนอูนุนเท่าเล่นางน้อยกับตาม ปลูกไต้กินร้มห่อเรือนอยู่สร้างเขาเจ้าตั้งหลายมีใจเพื่อกว้างจนกันมาย่อตานไทยได้ขึ้นแป่นเทนสวาสีว่าไว้ไผไผก็ได้ยินดี วายลุนย่อแล้วตอนแก้วสำสีเป็นนินองจีมีใจเพืกว้างกองวัดตำน้องผ้าทาเบาบางตุกวันตานเจ้ากำเจงีงอบรมนินน้อยเบาหื้อคาดแข็ง คำวันแลลงสอนทรรมใจใจอบรมสัทธาติสาติไวตานเจ้าสอนไปเบาลาเฮืออยู่ในศีลกึดปองตาหนะ้าอย่าฮือมอนเศร้าอันใด เหลือเสีกว่านี้สวัสดีสินไซตานเจ้าได้ไปแอวไวพาเจ้าถึงเมืองกะลาตานเจ้าแอวเต้าเมืองพาต่วนเล่าเกิดแต่ ได้ไปไหวสาปอกมาแล้วแล่สาธุยืนไหวบูชาควัเรามานุษย์ลุ่มใจโลกาปุถุจานทะร์มือนกันทุกผู กอยฟังเต้อเฮยปีจักเก่าอุเนเมสาวนังร่างกมแม่น้องหุ่มฟังจุงมาหนังลมปีจักเก่าทองฟังไปแม่รินแม่รังสาวน้องผิวใส ก่อยอดฟังไปใจาจากเก่าปย่มนุษย์เราเฮ้ยเกิดมาหลุมฝ้าไัยภัยเบาใดหรือกรรมจะราบยาที่เป็นอานิจังพัดเป็ี่นวินวังเหมือนกันตุกผู้ สวาตดีใส่เฮยใจจักเก่าอยาที่บิเบนจองไราอายุเขาถึงห้าสิบสองข้ายหาสิบสามเขาตึงมา เพียที่อันไรตอบสายมาหามาเร็งนั่นกาในปากตาลเจ้าเมื่อวันเจ็บแค้นเบ่าจังกินเข้าเแ็นเวตารำรง หลังวันเจ็บนักเบาจังปากปปองกำดวยแห่งผู้ขอนใดหลังวันเจ็บน้อยก้มปอดีใจซ้ำเกิดเจ็บในปิกวายบอกเตา้า ได้ไปยาตูสวาทีใส่เจ้าจริงไหมจริงให้จอดซ้ำลางเผ่าหันแคนใจดีมาซ้ำลางเผ่าเติมเข้าเจ็บมาลางเตือเจ็บนักพอเบาจาังจ้า ตอนเจ้าไปยาเมืองไทยลายไตยจึงไม่หงยาส่วนดอกนั้นใสตานเจ้าไปยาตีนัน้นหมอกลุ่มลาเบาฮือได้จำปัญญาตานเจ้ากินไป ทางจกแค้นซ้ำเจ็บมาเหลือใจตานเจ้าตันไว้ปิกปอกสู่เตา้ายังเมืองเจงตุงปีน้องมาเฝา้าจุ่มสะามีพัมพอม สิยุมตั้งลายต่างมานังล้มอุปาถากเจ้าลุ่มลานอนเบาจางลูกปากเบาจางจ้าเขาตำสัญญาผันกินเย่นนย้อยเจ้านอนทวยใจหลายคันใหญ่หน้อยต่างก็มาดู เบาลาปี่น้องวังสามากัน ย, ายาัย่วย่ไพเบาผาดนาหายไปกันถึงมาแล้วเดินสามกอดไข่ปีปั้นสามไตเจ็สิบสี่เข้า เวลาซิ ม, มงกลางขึ้นเบาเศร้ายามควัดักยันอยู่ภาคไพเบาไปไหนอยู่ในสำนักเกหาแห่งห้องเศานอนสวตสดใสซ้ำเปียที่มาลน้นบีบบินรารอนนัก มาใจใบแปลนเวตาณนาะตุคาเตาใสเปียทีจังไรเล่นสุกปั่นเข้าหวใจนอนเบาจังลุกลับตาตานเจ้ามือมอน หลับตาหวานแล้วเบาขึ้นครอบสองมาราณากงจองจันทกว่าใดไปสู่เมืองพี่นีเมืองควันใดไปแล้วเบาเตาหอนขึ้นลาไว้ปีน้องโคเร่งผ้าพื้น ต, ตาเบามืนไปแล้วเบาเตาตานไปแล้วเฮเบาหันไตเตาเจ้าเบาขึ้นมาแล้วนองปีนองวังสาเสียนให้สาซองอาไลตานเจ้าค่อนดี เจ้าตายลาวัดหม่อนม้อมมองขีวัดป่าขคมมีจักมองเป่าจอยต่อไปนี่เฮืหมู่เราเจ้าคอยติ่งจังยันวอยเงียบพากผู้ใดจังมาสู่ยังสำนัก ติงจังเป่าจอยมองได้เจ้าไปละวัดเสียล้วนีหายพานอ้อยเป่าได้ไพ่สอนกว่านาจังเบ่าได้ยินเสียงทำแล้วค้าเจ้ามาละไปเมือนี้ พ่อแม่สถท้าต่างมารำรีเสยียได้ตานเจ้าเ จ, าเจคันฟังเนื้อปีน้องสู่เจ้าเราตอนเหมือนกันเจคันมาหนุดลกูกไต ห่างติ่งจากตายวันหนึ่งเบาไว้จูผู้ภัยมันหากรู้เป็นอานิจังเออสวยดอกมูใจได้เก่าตามมีสวาทีใสนั้นมนุษย์ดีลี วันนี้ตึงมีอายุเบาสศว้าในหาสิป้ายสามมาคบเขาเสียงกำไปโนปีน้องหมู่จุมสังฆาศธาปีน้องต่างผู้มากเตาสีได้ สังคารผ่ำพร้อมก็มากัดหมายมือตันวันงางจากเอาใส่เขา้าเผาคอนตานเหยอยกเอาต่างเข้ากองไฟรุมเมารวนเรา กันถึงแล้วเฮ้ยเดินหาสู่เขาเปลดคำว่าอันดีงามปีปันสามนี้แจสบสืบตามไปสีตตามมาถึงวานหมู่จุมสาาสังฆาเรานั้น จังนำขอนไปตอดสาตป่าจุงป่าจันตึงตันเบาลัดจังเอาสากเจ้าเผาไฟเบาเลอสั่งแล้วแม่ม้อนตาไหลตีจูถาดไฟเผาใหม่กว่าสิ้ ลาไว้เต่าอมองถมดินฝุ่นเกง่งส่องดวงวิญญาณตานไทยขึ้นสวรรค์นบอจันฟ้าเบาไรกำยังหมูอันเตปา่า ตีวาดาล้มอยู่แนนสัตนาสุขจืนที่ขาสวรรค์ลูกว้างฟังไปเตอสู้เมโซยดอกตางนาขาวมันงามรางซอย ใจปีของโซเป็นบทบาทโจอยอ่านเป็นข่าวซอยฟังมาจังหวังหยอบยังสีก่อนเตือนหนาปีน้องเอาอาขอลาก่อนข้าซิมนิ้วไว้ซาสั่งข้านั้นขา้า สิมนิวยืนมาหวานนอบขออย่าเป็นกรรมมูอดำกรรมซดติตูแห่งขาของซองสาธุลาแล้วแมมากสามมจบเล้ววงังโปยังสีเต่าอี ก, ก่อนเลบุญเฮย